สองหนึ่งผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกทั้งปวงวงเล็บเปิดยี่สองตุลาคม2549ในวงเล็บสองวงเล็บปิดครูบาอาจารย์หลวงพ่อเยอะนะเริ่มต้นเลยหลวงพ่อฝึกอานาปนสติกับท่านพ่อลีได้สมถะฝึกสมถะ22ปีต่อวิปัสสนาไม่เป็นท่านพ่อลีอยู่ได้สองปีก็ไม่อยู่แล้วหาครูบาอาจารย์ไม่ได้22ปีแล้วไปเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเอง อยู่กับหลวงปูด่ดูลได้สองปีท่านก็ไม่อยู่ต้องไปเรียนกับหลวงปู่เทศรวมๆแล้วอาจารย์ของหลวงพ่อมีสี่สิบห้าสิบองค์เรียนไปเรื่อยนะเจอใครก็ขอความรู้เขาไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยหลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อบอกว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกทั้งปวงปิดเครื่องหมายคําพูดเพราะฉะนั้นเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วใจไม่เป็นกลางขึ้นมานะให้รู้ทันไปจนมันเป็นกลาง อันนี้เป็นกลางเพราะปัญญาต่อไปเป็นกลางเพราะปัญญาจนจิตวางรูปวางนามวางกายวางใจลงไปเห็นนิพพานคราวนี้มันมีกลางอีกอย่างหนึ่งนะกลางแบบสุดขีดเลยคราวนี้ไม่มีทั้งนอกทั้งในแล้วจะว่ากลางก็ไม่เชิงนะไม่มีทั้งในไม่มีทั้งนอกทั้งหมดเป็นสิ่งเดียวกันรวดถ้าเราปฏิบัติยังมีความเป็นคู่มีสุขคู่กับทุกมีกุศลคู่กับอกุศลมีโกรธคู่กับไม่โกรธมีโลภคู่กับไม่โลภ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 เป็นกลางเพราะสมถะก็ได้เป็นกลางเพราะว่ามีปัญญาก็ได้มีหลายแบบแต่ว่าต้องให้เป็นกลางด้วยปัญญาเป็นกลางด้วยปัญญาเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณ น, นั่นเองญาณแปลว่าปัญญาตัวนี้ตัวสําคัญเลยถ้าเราภาวนาจนถึงสังขารุเปกขาญาณก้าวถัดไปนั่นแหละกระบวนการที่จะเกิดอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าใจของเรายังไม่เป็นกลางกับสังขารเนี่ยยังไม่เกิดอริยมรรคหรอก แต่ว่าเราก็ไม่ใช่ไปบังคับใจให้เป็นกลางกับสังขารกับกายกับใจกับรูปกับนามนะให้เรียนรู้ไปเรื่อยหัดรู้ไปจิตใจเกิดอะไรหัดรู้ไปรู้ไปทุกวี่ทุกวันนะรู้แล้วไม่เป็นกลางก็รู้ทันอีกรู้ทันแล้วมันก็เป็นกลางขึ้นมาก็รู้รูปรู้นามต่อไปอีกนะถึงจุดที่มันจะแตกหักขึ้นมาเนี่ยมันไม่รู้ตัวล่วงหน้าขณะจิตใ ด, ดก็ไม่รู้หรอกฉะนั้นหน้าที่ของเราจะต้องเจริญสติทุกขณะจิตนั่นแหละ มีสติคอยตามรู้ไปรู้บ้างเผลอบ้างอย่าละเลยขยันดูไปเรื่อยเพราะเวลาอริยมักจะเกิดเนี่ยไม่ได้มีเหตุล่วงหน้ามาบอกก่อนแต่ใจมันเป็นกลางพอดีเปะ๊ะรู้ลงไปด้วยความเป็นกลางแท้ๆเลยรู้รูปรู้น้ำด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริงไม่เติมแต่งอะไรลงไปในการรู้มันเกิดขึ้นชั่วขณะตรงนี้เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมาสองขณะบ้างสามขณะบ้าง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 ไม่เติมอะไรลงในการรู้สักนิดเดียวแต่ตรงนี้จิตจะทรงอยู่ในฌานโดยอัตโนมัตินะตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปถัดจากนั้นจิตจะตัดกระแสการรับรู้รูปนามแล้วทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้สิ่งที่ห่อหุ้มปกคลุมธาตุรู้อยู่จะถูกแหวกถูกทำลายออกไปจิตก็เป็นอิสระขึ้นมาสองขณะบ้างสามขณะบ้างเสร็จแล้วสิ่งที่ห่อหุ้มปิดบังก็กลับมาห่อหุ้มปิดบังจิตต่อไปอีก จิตถอยออกจากอัปนาสมาธิปุ๊บเข้ามาคลุมอย่างเดิมเลยตอนนี้กลับมาอยู่ในโลกปกติแล้วจิตมันจะทบทวนการพิจารณาเข้าไปว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันจะรู้เลยว่าเมื่อกี้นี้กิเลสบางส่วนถูกทำลายไปแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่งานที่ต้องทำยังมีอยู่อีกมันจะเกิดสภาวะอย่างนี้นะทั้งหมดสี่ครั้งครั้งที่สี่มันจะไปพิจารณานิพพานล้วนๆเลยเพราะไม่มีกิเลสอะไรจะให้พิจารณาอีกแล้ว ฉะนั้นจิตใจจะเข้าถึงความสุขที่ไม่มีอะไรเสมอเหมือนนะคำสอนของพระพุทธเจ้าอาัศาจรรย์ที่สุดเลยไม่เคยเห็นอะไรอาัศาจรรย์ขนาดนั้นมาก่อน